ในอัธกถากสิภารทวาชาสูตรกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงกระทำปัจฉิมยามให้เป็นสี่ส่วนดังนี้ตะโตปัจฉิมยามังจัตตาโรภาเคกัตวาเอกังภาคังจังกะมังอทิฐาติทุติยะภาคังคันทะกุดิงพระวิสิตตวา ทักคิเนนะปัตเซ น, นะสโตสัมปชาโนสีหะเสยยังกับเปติตติยภาคังภรละสมาปติยาวิตินาเมติจตุถะภาคังมหากรุณาสมาปติงปวิสิตวาพุทธจักคุณาโรกังโวโรเกติอัปประชักขะ มหาราชข า, าที่สัตตะทั ส, ส, ส, สนัทถังส่วนที่หนึ่งทรงอธิฐานจงกรมส่วนที่สองเสด็จเข้าสู่พระคันธกุดีทรงมีพระสติสัมปชัญญะสำเร็จสีหาสายะโดยประรัตเบื้องขวาส่วนที่สามทรงยังเวลาให้ร่วงไปด้วยผลสมาบัติ ส่วนที่สี่ทรงเข้ามาหากรุณาสมาบัติตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุเพื่อทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้ยังมิได้กระทำอธิการและได้กระทำอธิการในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในทานศีลอุโบสถกรรมเป็นต้นผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย และพูดถึงพร้อมอุปนิสัยคือพระอรหันต์จะทรงเห็นในญาณพระพุทธองค์ก็จะเสด็จไปโปรดให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆจนหลุดพ้นจากสังสารวัฏด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันร้นพลเราท่านพลาดจากโอกาสอันงามนั้นเป็นเพราะกฎแห่งกรรมทำอะไรตามใจกิเลสจึงเป็นเหตุให้ตกไปอยู่ในทิศแปอันเป็นโทษดังนี้ 1>, 1. เกิดเป็นสัตว์นรกชีวิตได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหาัส 2. เกิดเป็นสัตว์ดีรชาญมีชีวิตเพียงเพื่อกินนอนและเสพเมทุน 3. เกิดเป็นเปรตชีวิตความเป็นอยู่อดอยากปากแห้งทุกทรมาน 4. เกิดเป็นอสัญญีสัตว์พรมลุกฟักมีแต่รูปประขันไม่มีนามขัน จึงไม่สามารถได้ยินพระสัตธรรมของพระพุทธองค์ 5. เกิดในเขตปัจจันตคามดินแดนห่างไกลพระษาวกไม่อาจไปเผยแผ่พระธรรมได้ 6. เกิดเป็นคนมิชาทิฐิมีความเห็นผิดไปจากพระสัตธรรม 7. เกิดเป็นคนบ้าใบา้พิกลพิการหรือไร้ปัญญาเพราะไม่เข้าใจในกรรมและผลของกรรม 8. เกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกการเกิดในทิศแปดอันเป็นโทษดังกล่าวนี้เป็นผลจากอากุศลกรรมเพราะกิจที่ควรทำก็ไม่ได้ทำทำแต่ตามใจตนเองตามใจกิเลสตลอดมาทั้งเราและท่านฉะนั้นเชิญท่านติดตามโอคาตาระณะสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้ เพื่อให้ท่านทราบว่าควรทำสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างไรในชีวิตที่เหลืออยู่นี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสร็จการบาเพ็ญปุริมะยามมะกิจประทานโอวาทและตอบปัญหาแก่เหล่าพิสุเมื่อเหล่าพิสุถวายบางคมลากลับแล้วก็เป็นยามที่มนุษย์พักผ่อนโลกปกคลุมด้วยความมืดยามนี้จึงเป็นมหาสมัย ที่เหล่าเทวดาและพรมได้โอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาองค์หนึ่งมีวันณงามย่างพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อทูลถามปัญหาขั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดานั้น ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กรับทูลถามว่าเอกมันตังทิตาโคสาเทวตาพักควันตังเอตะทะโวจะกะทั้งนุตวังมาริสะโอคะมาตรีติข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตัดตอบว่า ปฏิทังขวาหังอาวุโสอานายูหังโอคะมาตะรินติท่านผู้มีอายุเราไม่พักอยู่ไม่เพียงอยู่ข้างโอคะได้แล้วอัตถกถาโอคะตรณะสูตรอธิบายว่าก็เทวบุตรนี้มีมาณะกระด้างมีความกระด้างด้วยการถือตัวสำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต ได้ยินว่าเทวบุตรนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราย่อมรู้โอคะย่อมรู้ซึ่งความที่พระตถาคตเจ้าทรงข้ามโอคะได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้เหตุเพียงเท่านี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข้ามโอคะด้วยเหตุนี้ได้อย่างไรดังนี้เราจะรู้อัดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบนั่นแหละ คำใดน้อยหรือมากที่เรายังไม่รู้เราจักรู้คำนั้นอันพระผู้มีพระภาคตัดบอกแล้วทีเดียวเพราะว่าคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างไรนั้นเรายังไม่ทราบดังนี้ลำดับนั้นพระบรมศาสดาจึงตัดปัญหาทำให้เป็นปัญหาซ่อนเร้นคือเข้าใจยากด้วยพระดำริว่า เทวบุตรนี้ยังไม่ละมานะนี้ก็ไม่ควรเพื่อจะรับธรรมเทศนาเปียกเหมือนผ้าที่ยังเศร้าหมองยังไม่ซักให้สะอาดไม่ควรจะย้อมสีเราจักข่มมานะของเทวบุตรนี้ก่อนแล้วจักประกาศเนื้อความนั้นอีกแก่เธอโดยไม่มีจิตต่ำเช่นนี้ถามอยู่ดังนี้นี้คือความรักที่แท้ และแสดงให้เราเห็นพระมหากรุณาที่คุณอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์แม้เทวบุตรนั้นก็ได้เป็นผู้มีมานะอันพระองค์นำออกแล้วและเทสนานั้นเพิงทราบโดยคำถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปเพราะความที่เธอเป็นผู้มีมานะอันพระองค์นำออกแล้วนั่นแหละทั้งเนื้อความนี้ก็ได้เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ถามปัญหาคือ เมื่อเทวบุตรได้ยินคำตอบของพระพุทธองค์เทวบุตรก็งงงวยและการที่เขาไม่อาจเข้าใจความหมายของคำตอบจึงทำให้เขาอ่อนน้อมลงได้เทวบุตรจึงทูลถามต่อว่ายะาขะถังปณะตะวังมาริสะอัปปติถังอนายูหังโอคะมะตะรีติข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก ก็พระองค์ไม่พักไม่เพียรข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าข้าพระองค์จะทราบได้โดยประการใดขอพระองค์จงตัดบอกแก่ข้าพระองค์โดยประการนั้นเถิดพระพุทธองค์ตัดตอบว่ายทาสวาหังอาวุโสสันติธามิตทา ส, สุสังสีทามิยะธาสวาหังอายุหามิหนึ่ง ตถาสสุนิวิหามิสองเอวังขวาหังอาภุโสรอปติถังอะนายูหังโอคะมะตารินติท่านผู้มีอายุเมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อไรเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้ ท่านผู้มีอายุเราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วอย่างนี้แลขณะได้ยินคำตอบนี้เทวบุตรนั้นก็เห็นแจ้งแทงตลอดความหมายของพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันทันทีแม้ว่าพระสูตรส่วนใหญ่ในเทวตาสังยุตของสังยุตตะนิกายสขารวรกจะเป็นพระสูตรสั้ น, นเทวดาและพรม ผู้ที่มีสติปัญญาไวยก็สามารถแทงตลอดความหมายที่แท้และได้บรรลุธรรมทันทีที่ฟังจบพระสูตรแต่มนุษย์เราแม้จะได้อ่านและศึกษาทบทวนก็ยังยากที่จะเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของพระสูตรเหล่านี้เฉพาะผู้ที่รู้พระอภิธรรมจึงจะทราบว่าโอคะคืออะไรบ้าง แต่ผู้อื่นไม่อาจทราบว่าโอคะคืออะไรเมื่อเริ่มแรกอ่านพระสูตรนี้อัตมาก็ยังไม่อาจเข้าใจความหมายต่อเมื่อได้อ่านคําอธิบายจากอัตกถาจึงเข้าใจและเป็นการเข้าใจในระดับความคิดไม่ใช่การเห็นแจ้งการที่จะเข้าใจว่าพระสูตรนั้นกำลังกล่าวถึงอะไรก็ยากอยู่แล้วจะกล่าวไปหญ่ ถึงการที่จะเห็นแจ้งแทงตลอดความหมายของพระสูตรการที่จะช่วยให้ท่านทราบว่ามนุษย์เรากำลังทำอะไรและกิจใดที่ควรทำอัตมาใครจะแสดงความหมายอันลึกซึ้งของพระสูตรนี้แก่ท่านคำถามแรกของเทวดาคือพระพุทธองค์ทรงข้ามโอกระได้อย่างไรตรงนี้เราจำเป็นต้องทราบว่าโอกระคืออะไรบ้าง มีโอคะสแสดงในพระอภิธรรมปีดกเล่มสองวิพังคะประกรณดังนี้ 1. กามโอคะ 2. พระโวคะ 3. าทิดโธคะ 4. อวิชโชคะโอคะหมายถึงห่วงน้ำวนคือการเวียนว่ายตายเกิดกิเลสอันเป็นดุจกระแสน้ำหลากท่วมพัดพาสัพสัต์ ให้พี่นาศเวียนไห้ตายเกิดในวัฏฏะสงสารอัตมา จ, จะอธิบายความหมายของแต่ละโอคะดังนี้ 1. กามโมคะกามโมคะคือตัณหาความทยานอยากและหลงไหลในกรรมคุณห้าที่น่าใคร่ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเพราะยึดติดกับการมาสุขเหล่านี้ สรรพสัตว์จึงต้องวนเวียนเกิดอยู่ในกรรมภพบ11บอดภูมิคือโลกมนุษย์หนึ่งเทวโลกหและอบายภูมิสมนุษย์สแสวงหากรารมสุขอยู่ตลอดดิ้นรนที่จะครอบครองวัตถุกรรมลหลงไหลอย่างถอนตัวไม่ขึ้นต้องหมกมุ่นวุ่นวายในการสแสวงหารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อย สัมผัสถุกใจตัณหานั้นไม่เคยอิ่มเคยพอเราเชื่อว่าไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ถ้าปราสจากสิ่งเหล่านี้การสนองการมาสุขกลายเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคนจำนวนมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับสิ่งนี้ในสังยุตตนิกายสขาทวักโกสระสังยุตทุติยวักที่สอง ปัญจราชาสูตรที่สองก็สมัยนั้นพระราชาห้าพระองค์มีพระเจ้าประเปรตที่โกศลเป็นประมุกผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมได้รับบำเลออยู่ด้วยเป็นจะพิทักามาคุณเกิดถ้อยคำโต้เถียงกันขึ้นว่าอะไรหนอเป็นยอดแห่งการทั้งหลายในพระราชาเหล่านั้นบางองค์ได้ตัดอย่างนี้ว่า รูปทั้งหล า, like ายเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางองค์ได้ตัดอย่างนี้ว่าเสียงทั้งหลายเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางองค์ได้ตัดอย่างนี้ว่ากลิ่นทั้งหลายเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางองค์ได้ตัดอย่างนี้ว่ารสทั้งหลายเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางองค์ได้ตัดอย่างนี้ว่าผลทัพพระทั้งหลายเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย เพราะเหตุที่พระราชาเหล่านั้นไม่อาจทรงยังกันและกันให้เข้าพระทัยได้จึงพระเจ้าประส e n t ิโกศลได้ตัดกับพระราชาเหล่านั้นว่ามาเถิดท่านสหายทั้งหลายเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ปะทับคั้นแล้วจากทูลถามข้อความนี้กับพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาค จากทรงพยากรแก่เราทั้งหลายอย่างไรเราทั้งหลายพึงจำคำพยากรณ์นั้นไว้อย่างนั้นเถิดพระราชาเหล่านั้นทรงรับพระดำริของพระเจ้าประสิทธิโกศแล้วครั้งนั้นพระราชาห้าพระองค์เหล่านั้นมีพระเจ้าประสิทธิโกศเป็นประมุขเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับคันแล้วก็ถวายบังคม พระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วพระเจ้าประเส enti โกศลได้กล่าวทูลข้อความที่โต้เถียงกันแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ, อะไรหนอเป็นยอดแห่งการทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าดูก่อนมหาบพิทยยอดสุขแห่งความพอใจนั่นแหละ อตมาภาพกล่าวว่าเป็นยอดในเบญจากามคุณดูก่นมหาบพิตรรูปดาวใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือปานีดกว่าเขาก็ไม่ปรารถนา รูปเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งสําหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสําหรับเขาดูก่อนมหาบพิษเสียงเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนเสียงเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดําริบริบูรณ์ด้วยเสียงเหล่าใดเสียงเหล่าอื่นจากเสียงเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือปานีกว่าเขาก็ไม่ปารถนา เสียงเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งสําหรับเขาเสียงเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสําหรับเขาดูก่อนมหาบพิษกินเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนกินเหล่าใดไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดําริบริบูรณ์ด้วยกิ่นเหล่าใดกิ่นอื่นจากกินเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือปานีกว่าเขาก็ไม่ปรารถนา กินเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขากินเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสำหรับเขาดูก่อนมหาบพิษรถเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรถเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยรถเหล่าใดรถอื่นจากรถเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือปาณีกว่าเขา ก็ไม่ปรานาลดเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขาลดเหล่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสำหรับเขาดูก่อนมหาบาพิตรพดทพะเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนพดทพะเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยพดทพะเหล่าใดพดทพะอื่นจากพดทพะเหล่านั้น จะยิ่งกว่าหรือปานีกว่าเขาก็ไม่ปร า, าปรถนาปทธรรมะเ่านั้นเป็นอย่างยิ่งสำหรับเขาปทธรรมะเ่านั้นเป็นยอดเยี่ยมสำหรับเขาเราจินตนาการได้ว่าพระราชาเ่านั้นทรงพร ะ, กะเกษมสำราญยิ่งในเบญจากามคุณแต่ก็ยังมีพระไทยไม่อิ่มจึงทรงพระราชประสงค์จะทราบจริงๆว่าอะไรหนอ เป็นยอดแห่งการทั้งหลายการลหลงไหลในรูปคือรูปปตัตนหาในขุทกะนิกายเวนาสาขะชาดกที่สามกล่าวว่าพระนางอุปรีอัครมเหสีของเรามีพระชวีวันงามดั่งทองคำรูปไลยตัวด้วยแก่นจันแดงย่อมงามเจริญตาเหมือนกับกิ่งไม้สิงคุ อันขึ้นตรงไปไหวสเทือนอยู่ฉะนั้นเรามิได้เห็นพระนางอุปภรีแล้วคงจักต้องตายเป็นแน่การที่เราไม่ได้เห็นพระนางอุปภรีนั้นจักเป็นทุกข์ยิ่งกว่ามรณะทุกข์นี้อีกมนุษย์ปรารถนาจะเห็นรูปที่สวยและพยายามสแสวงหาทุกวิถีทางแม้ต้องเหนื่อยยากลําบากก็ยอม ถ้าไม่ได้เห็นก็จะเป็นจะตายกินไม่ได้นอนไม่หลับจนลุกจากที่นอนไม่ได้ไม่เขินไม่อายที่จะสแสวงหาและมีชีวิตอยู่เพื่อให้ได้รูปารมณ์นั้นควรพิจารณาให้ดีว่าสแสวงหาเพื่อตัวเราจริงหรือที่แท้แล้วเป็นเพียงการสนองความอยากเพื่อเป็นผู้รับใช้คือเป็นทาของตัณหา ความพยายามเพื่อให้ได้ครอบครองรูปารมคือตกเป็นธาตุตันหาต้องปนเปรื้อด้วยทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศการฆ่ากันตายเพื่อให้ตนได้ครอบครองรูปารมมีมาแต่สมัยพุทธกาลในอดีตก็มีมาแล้วปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่และก็จะคงมีต่อไปในอนาคตรูปรตันหา คือความอยากได้ในรูปอารมณ์รูปอารม์ทั้งภายในกายและภายนอกเป็นเหตุให้ลหลงไหลอยู่ในกามสุขเราส่องกระจกแต่งหน้าแต่งตัวให้ดูดีสวยงามนั้นเป็นเพราะรักตัวเองสิ่งที่มนุษย์หรือสัตว์มีความสนใจมีความภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือตัวเอง การอยากพบอยากเจอกับผู้ที่สนใจตนภาคภูมิใจตนเป็นเพราะยึดในอัตตาตัวตนที่จริงแล้วมนุษย์หรือสัตว์รักตัวเองมากที่สุดพระพุทธเจ้าได้ตรัสในมาริกาสูตรที่8ดว่าบุคลคลค้นหาด้วยจิตตลอดทิศ ท, ทั้งหมดไม่ได้พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนไหๆเลย สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันคนทุกคนรักตัวเองมากที่สุดแต่ต่างก็ต้องการให้ผู้อื่นมารักดูแลเอาใจใส่ตนเช่นเดียวกันจึงตกลงปรงใจอยู่ด้วยกันใช่ไหมที่แท้แล้วก็คือคนที่รักตัวเองที่สุดเหมือนกันแต่เมื่อได้อยู่ร่วมกันแล้ว กับไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวังไว้ในอดีตชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์บิดามารดาปรารถนาให้บุตรชายสมรสกับสตรีผู้หนึ่งแต่บุตรชายผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีปัญญารู้คุณและโทษแห่งการสมรสไม่อาจปฏิบัติตามจึงกล่าวแก่บิดามารดาด้วยเหตุผลหนักแน่นว่า บุคคลต้องการความสุขอย่ากให้ทุกข์แก่เขาคำกล่าวนี้มีความหมายลึกซึ้งถ้าเราไต่ตรองให้ดีก็จะเข้าใจความหมายนั้นชีวิตแต่งงานคือการเพิ่มภาระให้แก่ตนการเพิ่มภาระนั้นเป็นการลดทอนความสุขและเพิ่มภูนความทุกข์แต่เป็นเพราะอัตตาและตัณหาทำให้มองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ ดังนั้นจึงเห็นทุกข์เป็นสุขเมื่อได้รับภาระเพิ่มอย่างนี้กับภูมิใจว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วยึดถือกันมาเช่นนี้ใช่ไหมที่แท้แล้วเป็นเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นไปในอำนาจของตันหาและไม่รู้ว่าถูกกิเลสหลอกฉะนั้นจึงไม่อาจจะหลุดพ้นจากกระแสน้ำแห่งกามโมคะนี้ได้ การหลงไหลในเสียงคือสัทธะตันหามนุษย์ต้องการได้ยินเสียงที่ถูกใจจึงได้พยายามแสวงหาเพื่อให้ได้สัทธาร่์เพราะหลงไหลเสียงที่สุนทรีไพเราะจึงตกเป็นท่าของสัทธะตันหามีชีวิตอยู่โดยปราศจากเสียงที่น่าใคร่ไม่ได้ยังชีวิตให้เป็นทุกข์อยู่เนืองนิด ถูกพัดไปกับกระแสเสียงที่ดึงดูดให้ติดอยู่ในสัท ธ, ธารณมจึงไม่อาจจะหลุดพ้นจากกระแสน้ำแห่งกาโมคะนี้ได้การหลงไหลในกิ่นคือคันทะตัณหารูปประขันคือร่างกายนี้เกิดขึ้นเป็นผลจากกรรมที่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสแม้เราจะไม่ต้องการคัทธารณมที่ไม่ถูกใจ แต่ร่างกายนี้เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ผลิตกลิ่นไม่ดีอยู่เสมอเราจึงต้องอาบน้ำถูสบู่ทาแป้งหอมใส่น้ำหอมเพื่อปกปิดกลิ่นตัวคล้ายกับการตกแต่งซากศพการกระทําเช่นนี้เป็นเพราะไม่ต้องการเห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงเป็นการแสดงมายากลหลอกลวงกันและกัน เพราะถ้าปล่อยให้ร่างกายแสดงสภาพตามความเป็นจริงก็จะเป็นที่น่ารังเกียจคนในสังคมจึงตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องสําอางต่างๆเป็นประจำจึงมองไม่เห็นตามความเป็นจริงล่อลวงตนและผู้อื่นให้ลุ่มหลงในคันธารมรัดรึงกันด้วยกินต่างๆจึงตกอยู่ในอนํานาจของคันธาตุนหาถูกพัดรอยไปกับ คันธารณมไม่อาจจะหลุดพ้นจากกระแสน้ำแห่งกามโมคะนี้ได้การลหลงไหลในรสคือลักษะตันหามนุษย์ดิ้นรนไม่หยุดยัง้งตลอดชีพเพื่อะะรักษารมต้องการกินอาหารรสอร่อยโลกวุ่นวายก็เพราะการกินเป็นเหตุใช่ไหมแม้พาพพิสุกที่ถูกเล่นงานด้วยลักษะตันหา จนต้องลาศิกขาจากเพศสมณะไปเป็นครวาสก็มีมากลักษะตัญหาคือความอยากในรสชาติจึงสร้างทุกข์เพิ่มขึ้นโดยทอาอกุศ ล, ลกรรมเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อการเลี้ยงชีพหรือเพื่อเป็นอาหารจึงส่งผลให้ต้องไปเกิดในทุกขติอบายภูมิใช่ไหมลักษะตัญหาจึงดึงดูดให้เรา ติดอยู่ในกระแสละสารมไม่อาจจะหลุดพ้นจากกระแสน้าแห่งกาโมคะนี้ได้การหลงไหลในสัมผัสคือผดทพะตันหาผดทพารมคือการถูกต้องสัมผัสด้วยกายมนุษย์อยากจะรอดพ้นจากการถูกต้องสัมผัสในอัธกถาที่หแห่งคาถาธรรมบทแสดงไว้ว่า นางปัญจปาปีเป็นสตีที่มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษ์มากแต่มีสัมผัสที่พิเศษเหนือสตีใดๆจึงได้รับการอภิเศษให้เป็นพระมเหสีของพระราชาภกกะแห่งพาราสีเพราะทรงลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นถูกดูดให้จมลงในผดถัพพารณมใช่ไหมจึงไม่อาจจะหลุดพ้น จากกระแสน้ำแห่งกาโมคะนี้ได้สรุปแล้วกาโมคะคือการมาสุขในโลกมนุษย์เทวโลกและอบายภูมิได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผทัพะที่น่าใคร่การดิ้นรนสแสวงหาด้วยความอยากเป็นเหตุให้ติดอยู่ในการมาพบสอดภูมินี้ฉะนั้นการมาตัณหา จึงเรียกว่ากามโมคะต้องติดจมอยู่ในภพภูมิก็เพราะมีอวิชชาจึงไม่รู้อริยสัจสี่ในวีสตินิบาชาดกหัตถิปาราชาดกกล่าวไว้ว่าการทั้งหลายเป็นดังเปลือกตรงเป็นเครื่องให้จมลงและเป็นเครื่องนำไปซึ่งน้ำใจสัตว์ข้ามได้ยากเป็นที่ตั้งแห่งมรุตยู สัตว์ทั้งหลายผู้ข้่องอยู่ในกรามอันเป็นดังเปลือกตงเป็นเครื่องให้จมลงนี้เป็นสัตว์มีจิตเร็วซามยอมข้ามถึงฝั่งไม่ได้เมื่อครั้งก่อนอัตภาพของข้าพระองค์นี้ได้กระทากรรมอันหยาบช้าผลแห่งกรรมนั้นข้าพระองค์ถือไว้มั่นแล้วข้าพระองค์จะพ้นไปจากผลแห่งกรรมนี้ไม่ได้เลย ข้าพระ อ, องค์จักปิดกั้นรักษาอัตภาพนั้นอย่างรอบคอบขออัตภาพนี้อย่าได้ทำกรรมอันหยาบช้าอีกเลย